จะทำทปฏิบัตของญาติโยมเราทั้งหลายว่าที่ได้ทำมาหนี้แน่ใจแล้วหรือยังแน่ใจในการทํากรรมฐานของตนแล้วหรือยังที่ถามอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์ที่สอนกรรมฐานทุกวันนี้มีมากมีทั้งประสงค์ทั้งคารวะจึงกลัวว่าญาติโยมจะลังเลสงสัยการกระทํานี้ยฟังหลวงพระชาครับให้หลวงพระชานํานั่งสมาธิ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 เห็นอะไรแล้วจะรับพิจารณาทางนั้นอันนี้เป็นเบืวองแรกของมันนี่เรียกว่าผลเกิดจากสมาธิสมาธินี้มีหน้าที่ทำให้สงบสมาธิก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งีลก็มีหน้าที่อย่างหนึง่งปัญญาก็มีหน้าที่อย่างหนึง่งอาการที่เรากำหนดในที่นั้นมันจะเป็นวงกลม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 เมื่อสมาธิเต็มที่แล้วมันจะช่วยปัญญาจะช่วยกันดังนี้เป็นวัยพุทซึ่งกันและกันต่อไปโดยรอบอย่างนี้จนกว่ามมักคือศีลสมาธิปัญญารวมกันเป็นก้อนเดียวกันแล้วทำงานสม่ำเสมอกันเราจะต้องรักษากำลังอย่างนี้อันเป็นกำลังที่จะทาให้เกิดวิปัสสนาคือปัญญา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 แล้วก็ไม่ราําคาญบางทีก็ยกสังขารขึ้นมาพิจารณาที่ยกขึ้นมาพิจารณานั้นไม่ใช่คิดเอาหรือเดาวมันเป็นเรื่องของจิตที่เป็นขึ้นมาเองของมันอันนี้เรียกว่าความรู้อยู่ในความสงบ ค, ความสงบอยู่ในความรู้ถ้าเป็นสังขารความปรุงแต่งจิตมันก็ไม่สงบมันก็ราําคาญแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องปรุงแต่งมันเป็นความรู้สึกของจิตที่เกิดขึ้นจากความสงบ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 เมื่อเราจเจริญสมาธิที่ถูกต้องแล้วอาจจะสงสัยว่ามันจะได้ผลที่ตรงไหนมันจะเกิดปัญญาที่ตรงไหนเพราะท่านตรัสว่าสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาวิปัสสนาสมาธิที่ถูกต้องเมื่อจเจริญแล้วมันจะมีกำลังให้เกิดปัญญาทุกขณะในเมื่อตาเห็นรูปก็ดีหูฟังเสียงก็ดีจมูกบมกลิ่นก็ดีลิ้นลิ้มรสก็ดีกายถูกต้องโปรดพาก็ดีทันมารมเกิดกับจิตก็ดี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 คือเกิดจากสมาธิที่เมื่อสงบแล้วก็มีความสุขแล้วถือเอาความสุขเป็นความสงบอีกอย่างหนึ่งคือความสงบที่เกิดจากปัญญานี่ไม่ได้ถือวาความสุขเป็นความสงบแต่ถือเอาจิตที่รู้จักพิจารณาสุขทุกเป็นความสงบเพราะว่าความสุขความทุกนี้เป็นพบเป็นชาติเป็นอุปทานจะไม่พ้นจากวัฏฏะสงสารราะติดสุขติดทุก ความสุขจึงไม่ใช่ความสงบความสงบจึงไม่ใช่ความสุขฉะนั้นความสงบที่เกิดจากปัญญานั้นจึงไม่ใช่ความสุขแต่เป็นความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงของความสุขความทุกข์แล้วไม่มีอุปทานมั่นหมายในสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาทาจิตให้เหนือสุขเหนือทุกข์นั้นท่านจึงเรียกว่าเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนา อย่างแท้จริงพอสมควรครับสำหรับคืนนี้ก็ได้เคยคุ้นกับความสงบความมืดความไม่มีอะไรนะ เราเนี้ททำขุศลกันมาดีสองวันอันปลั ก, กทั้งสองวันไฟดับทั้งคู่อยู่กันแบบวัดป่าจริงๆอล้ทีนี้เทียนก็หมดอะไรก็หมดก็พอมันอยู่ได้มันก็อยู่ได้ก็ไม่เห็นมีอะไรถ้ามันไม่อีกปรุงแต่งอะไรต่ออะไรขึ้นมาก็ไม่มีอะไร ได้ฟังหลวงพนะครับสอนการนั่งสมาธิจนถึงสภาวะธรรมในสมาธิหลายคนก็คงนั่งไปนั่งไปลราหมายใจก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนเหมือนกับไม่ได้หายใจแรกๆก็ตกใจว่าทำไมมันไม่หายใจมันจะตายไหมส่วนใหญ่แรกๆก็ตกใจ ทำไมมันหยุดหายใจไปเส้นนั้นคือเพื่อให้ลมหายใจมันไม่มีก็หลายคนเขายามันจะเบ่งมันขึ้นมาเบ่งก็เจอ ต, ตอนนั้นมันกําลังละเอียดเข้าสู่ฐานของเวทนาไปแล้วมันก็รูปก็ละเอียดไปละเอียดไปท่านก็แนะนําว่าให้เอาความรู้ว่าลมหายใจไม่มีนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งกรรมฐานต่อไปไม่มีก็ไม่มนะีไม่มีก็คือไม่มี ก็เดินกรรมาฐานต่อไปต่อไปจิตก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นหลังจากนั้นความรู้สึกก็จะค่อยๆตั้งมั่นสูงขึ้นร่างกายก็เบาไปเบาไปบางคนก็ขาแข้งหายไปตัวหายไปแขนขาหายไปหัวหายหรือแต่ความรู้สึกทางใจล้วนๆก็มีจิตก็เดินทางต่อไปเริ่มสงบเงียบ ความสุขทั้งหลายก็ค่อยๆหายไปหายไปกลายเป็นอุเบกขาจิตเป็นสภาพที่ปกติปรานีตก็ตั้งมั่นไปหลังจากนั้นนั่งเวทนาก็ไม่ค่อยมีมีเหมือนกับรู้ว่ามันมีแต่มีอยู่สักสิบเปอร์เซ็นจิตเริ่มทรงฌานมากขึ้นแต่จิตต้องตั้งมั่นไว้เพื่อไม่ให้มันติดในสุขในสงบ บางคนก็ไปติดในสุขในสงบในอัปปนาอย่างท่านว่าล่ะจิตก็จะเวลานั่งทิไรก็อยากจะเข้าไปตรงนั้นอยากจะเข้าไปตรงนั้นพอเข้าไปได้ก็เข้าไปเสพสุขติดอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันเสียเวลาคือจิตจะต้องตั้งมั่นแล้วก็เห็นความสงบเห็นสุขเห็นสงบจนกระทั่งมันหมดสุขหมดก็เหลือแต่สงบล้วนๆเป็นสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ บางคนก็เลยต่อไปนะเข้าสู่อารูปก็ไม่มีการใช้รูปในการเป็นองค์กรรมฐานก็เดินทางต่อไปทีนี้มันก็จะว่างเหมือนเป็นอากาศความรู้สึกก็จะเริ่มว่างทารู้บ้างอะไรบ้างก็ว่างว่างอยู่นั้นนั่งไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยนั่งว่างเงียบไปเรื่อยๆๆก็ตั้งมั่นไว มันจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราผมมักจะให้ข้อคิดเอาไว้สําหรับนักภาวนาก็พอถึงจุดนี้นเอ๊ะเราควรจะทํายังไงดีเอ๊ะอย่างนี้เราน่าจะทํายังไงต่ออะไรให้บอกตัวเองว่าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่ของเราก็แค่อยู่เฉยๆเป็นผู้ดูผู้รู้ไปในในการนั่งสมาธิก็เป็นผู้ดูผู้รู้ไป เขาก็ทำงานของเขาไปเรื่อยตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็นั่งดูนั่งมาดูไปอย่าเข้าไปอะไรมันก็จะได้ปัญญาได้ความรู้อย่างหลงพรอชาก็พูดขึ้นมาตอนหนึง่งบางช่วงก็มันก็จะเหมือนมีเสียงภาคอยู่ข้างในเกี่ยวกับสภาวธรรมที่เกิดขึ้นอย่างนูน่นอย่างนี้บางคนก็หลงไปนึกว่าเอ๊ะนี่เราปรุงแต่งหรือเปล่านะก็มีนะครับที่คนมาส่งอารมณ์บ้างอะไรบ้าง แม้แต่ตัวผมเองตอนช่วงแรกๆผมก็งงๆว่าี่มันเสียงใครเราคิดหรือเปล่าเราก็ไม่ได้คิดนี่มันโผล่มาจากไหนนี่คือใครอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปพูดไปก็พิจารณา ร, รมก็บอกเรามาเรื่อยนะของปลอมก็มนะีเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ยึดถืออะไร แ, แรกๆก็ยึดถืออู้ปัญญาไปยึดถือปัญญาขึ้นมาวันอีกวันนึงนั่งไปนั่งไปเอามันเปลี่ยนอีกแล้ว ก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยก็พัฒนาไปเรื่อยจะพัฒนาเปล่าก็ไม่รู้แต่พอมันเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันวันนี้ว่าถูกแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่แล้วพรุ่งนี้เปลี่ยนไปอีกอย่างสุดท้ายมันก็หมดความยึดถือรู้อย่างเดียวว่าทําเหตุไปก็มีผลทําเหตุไปก็มีผลผลก็มาจากเหตุทําเหตุพยาะนัหน้าที่เราทําเหตุอย่างเดียวผลจะเป็นยังไงก็เรื่องของผลจะวิจิตพิสดารจะปานนี่จะทื่อจะอะไรก็เป็นเรื่องของผลหน้าที่เราทําเหตุทําเหตุ ทีนี้ก็เป็นอิสระจากผลก็ไม่คาดหวังผลรู้แต่ว่าผลมาจากเหตุทำเหตุอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทำเหตุอย่างเดิมอไม่ใช่อย่างนี้อีกแล้วทีนี้มันจะหมดความมิถถือไปเรื่อยๆหมดความมิดถือก็จะเริ่มอิสร ะ, ะเพราะฉะนั้นวันนี้มาถึงวันที่สามแล้วสามอยู่ว่างก็นั่งเฉยๆเดินไปเดิ น, ดนกลับไปก็ละ การปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะครับเข้มให้เข้มอยู่ข้างในคอสเข้มเนี่ยมันเข้มอยู่ข้างในเข้มคือภาวนาไปเรื่อยๆพอถึงใกล้จะนอนก็ผ่อนๆหน่อยเดี๋ยวม่นอนไม่หลับนะมันจะตื่นผมก็แปลกนะไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้จะเหมือนใครหรือไม่นะที่เขาบอกว่าให้รู้จนกระทั่งรู้ว่าเราหลับไปตอนไหนอะไรเงี้ยผมทําไม่ได้อะผมยอมรับเลย สมัยก่อนในข้อสมัยดูพองยุบเนี่ยให้รู้ไปว่าหลับไปตอนพองหรือยุบเนีโอ้โหถ้าผมมัวแต่รู้เงี่ยก็ตื่นทั้งคื น, นผมนึกไม่ออกแล้วมันจะหลับไปได้ยังไงอมันจะรู้ได้งไงว่าหลับอันไหนผมผมไม่เข้าใจนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะทําได้ก็ได้แต่ผมไม่ใช่แน่ถ้าผมทํางั้นผมไม่หลับเลยทั้งคืนผมต้องค่อยๆแลนดิ้ง <c oughs> คือพอรู้ว่าใกล้เวลานอนผมก็ผ่อนการภาวนาแล้วไม่เอาแล้วแล้วก็ปล่อยให้ขันทํางานขงเข้าไป แล้วก็ปิดสวิตช์ถึงเขาไปเองโอ้ถ้ามัวแต่รู้ก็ตายไปดีมันตื่นตลอดทีนี้ก็ไม่หลับเลยเพราะมันจะเริ่มสงสัยว่าเมื่อก่อนเราหลับยังไงมันมันง ง, งเลยมันทําให้เป็นเลยคือเอ๊ยพอลุ้เมื่อก่อนเราหลับไงวะเนี่ยคือมันเสียสูญไปเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้แล้วแต่ข่ายนะพอใกล้ๆสมมติกลับไปอาบน้ำมาท่าแตงชุ่มก็เริ่มผ่อนผ่อนปล่อยให้ขันเขา เป็นปกติแล้วก็ให้เขาหลับไปมันไม่ได้มีอังคุสนอะไรอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนตอาราหังสัมมาด้วยกันนะครับจะได้ไปพักพ่อาราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะว สร้างวกังโคสร้างคางนามานพวกนี้ก็เจอกันเวลาเดิมเจอกันครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยต้นจามจุรีที่หน้า second home ต้นใหญ่มากที่เราเข้ามาน่ยมันลม้มตอนพายุมาตอนเย็นแล้วไป ซั์เอาเสาไฟฟ้าแรงสูงเพียงคืนนี้ก็คงหลับสบายแหลนะหลับมืดเลยนี่วชชะลคงออกไปดูว่าเขาซ่อมหรื อ, อยังนะคือเสาไฟแรงสูงล้มเลยนะเพราะฉะนั้นผมว่าคงไม่เสร็จเร็วแนะ่